สัมผัสสยองเราจะรักกันจนวันตายเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวต่อจากครั้งก่อนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่อามเพื่อนของผมได้เสียชีวิตไปแล้วหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้ ที่เรื่องสั้นสยองขวัญ25ตอนเด็กปัม๊มหงหักศอกได้นะครับอามเป็นเพื่อนของผมเขาเป็นคนค่อนข้างใจร้อนชอบทำอะไรให้ได้ดังใจถ้าเพื่อนคนไหนชักช้าทำไม่เสียเวลาอามก็จะมีอาการหึดหัดหายใจแรงไม่พอใจแต่อามก็รักเพื่อนๆไม่เคยดูดา่าหรือทำให้เพื่อนๆ เ, เสียน้ําใจ ดังนั้นอามจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆแต่นี่ใส่ใจร้อนทำให้อามค่อนข้างเป็นคนขี่รถเร็วเขามีมอเตอร์ไซค์คู่ใจอยู่คันหนึ่งอาม ร, รักรถคันนี้มาและแต่งรถสวยตามแบบฉบับของรถซิงจนเพื่อนๆบางคนแอบเรียนแบบการแต่งรถของอามอามทำงานเป็นเด็กปั๊มน้ามันเข้างานและเลิกเป็นกะ ปั๊น้มันนี้เป็นปั๊มน้ามันขนาดใหญ่และเป็นจุดพักรถของคนเดินทางขาเข่าและออกจากจังหวัดใหญ่ในภาคเหนือวันนี้อาล์มเลิกงานเวลาหกโมงเย็นจึงนัดเพื่อนๆแถวบ้านไปเตบบอลกันตามประสาวัยรุ่นที่ชอบออกกำลังกายอาล์มได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเพื่อที่จะไปยังสนามเตบบอลที่เปิดให้เช่าเล่นแห่งใหม่ ขณะที่อามขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นั้นก็สังเกตเห็นว่ามีป้ายบอกทางข้างหน้าว่าอีกห0สิเมตรเป็นโค้งอันตรายผมคิดว่าด้วยถนนที่ค่อนข้างมืดจึงทำให้อามมองไม่เห็นอามจึงขี่รถพุ่งตรงไปเพราะคิดว่าถ้าโค้งจะเกิดอันตรายผลปรากฏว่าแหกโค้งสิครับไม่นาน ก็มีคนโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจและหน่วยกู้ภัยให้ไปดูเหตุการณ์เมื่อตำรวจไปถึงก็เห็นอามนอนแน่นิ่งอยู่จึงได้ค้นตัวของอามก็พบโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเสื้อจากนั้นตำรวจก็ได้โทรไปหาพ่อของอามตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มพ่อของอามเมื่อวางสายจากตำรวจไปแล้วก็ได้โทรหาผมเซนใช่ไหม ผมบอกใช่ครับพ่อของอามก็พูดพลนเสียงะอื่นว่าอามประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วขอให้เซนไปเป็นเพื่อนพ่อหน่อยผมตกปากรับคำรีบผลัน้นออกจากบ้านเพื่อไปรับพ่อของอามและมุ่งตรงไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงสภาพที่เห็นก็คือรถของอามแหลกละเอียดล้อรถและตัวถังกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง สภาพศพของอามไม่ต้องพูดถึงเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดคอหักใบหน้าเละจนจำแทบไม่ได้อามตายคาที่พอพ่อของอามเห็นศพของอามเท่านั้นก็มีอาการเข่าอ่อนและสุดลงจนทุกคนต้องช่วยกันพยุงตัวมาประมพยาบาลเมื่อพ่อของอามได้สติแกก็รำไห้อย่างน่าสงสาร ตำรวจจึงบอกพ่อของงามว่าวันนี้มืดค่าแล้วจะขอนำศพของงามไปไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อชันสูตรพลิกศพก่อนรุ่งคืนคอยไปรับศพออกมาพ่อของงามตอบตกลงและก็หันมาพูดกับผมว่าพรุ่งนี้ไปส่งพ่อเลยนะเราจะไปติดต่อที่ทำงานและจะไปรับศพของงามออกมาทำบุญกัน ผมตอบตกลงจากนั้นก็พาพ่อของอามไปส่งที่บ้านเป็นนันว่าคืนนั้นผมก็นอนเป็นเพื่อนพ่อของอามแต่ก็แทบจะไม่ได้นอนกันเลยเพราะพ่อของอามร้รองไห้คร่ำครวญถึงอามตลอดเวลาและเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับอามให้ฟังจนบางครั้งผมก็แอบหลับไปบ้างพอรุ่งเชา้าหลังจากทานข้าวทานปลากันแล้ว ผมกับพ่อของอามก็พากันไปที่ปั๊มน้ามันที่อามทำงานอยู่เพื่อนๆของอามไม่มีใครรู้เรื่องเลยเพราะผมกับพ่อของอามไม่ได้ติดต่อหรือบอกใครเลยจนผู้จัดการปั๊มเดินมาถามว่าวันนี้อามไม่มาทำงานเหรอเมื่อผมบอกว่าอามประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อคืนผู้จัดการก็ถึงกับอึงพูดอะไรไม่ออก ส่วนเพื่อนๆของอามบางคนถึงกับน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวหลังจากที่ออกมาจากปั๊มน้ามันแล้วผมก็พาพ่อของอามไปรับศพของอามมาทำพิธีบาเพ็ญกุศลที่วัดไกลบ้านคืนแรกมีคนมาร่วมทำบุญไม่ค่อยมาแต่เหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีคืนที่สองเพื่อนๆและผู้ใหญ่ที่ทำงานของอาม มารับเป็นเจ้าภาพสวดศพและมาร่วมงานทำบุญก็มีคนมากพอสมควรคืนที่สามเป็นคืนสุดท้ายวันนี้ผมแวะไปรับพ่อของอามเพื่อที่จะพากันไปฟังสวดทีวัดพอผมไปถึงบ้านพ่อของอามผมก็ถึงกับอึง้งกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าสิ่งที่ผมเห็นนั้นคืออามมายืนหน้าบ้านตน ในสภาพเลือดเปื้อนเต็มใบหน้าแขนขาบิดผิดรูปผมตกใจจะร้องก็ร้องไม่ออกสักพักอามก็พูดว่าเซนเราไปก่อนนะแล้วเราสองคนคงจะได้เจอกันอีกคำพูดนั้นทำให้ผมร้องเรียกชื่ออามและโผลเข้าไปกอดอามทั้งทั้งที่อามอยู่ในสภาพที่น่ากลัวอย่างนั้น ในขณะนั้นพ่อของอามก็เดินออกมาพอดีพ่อจึงถามผมว่าเป็นอะไรยืนร้องไห้ทําไมผมตอบไปว่าอามมันมาบอกลาพ่อของงามจึงพูดว่าวันก่อนอามก็มาลาพ่อเหมือนกันแล้ววันสวดศพคืนวันที่หนึ่งและวันที่สองพ่อก็เห็นอามมายืนข้างหลังพวกเพื่อนๆทุกคน แต่พ่อไม่กล้าพูดเกรงว่าพวกลูกๆจะกลัวกันผมเลยตอบพ่อไปว่าโธ่พ่อผมไม่กลัวอามหรอกครับเพราะเราเคยสัญญากันว่าจะรักกันจนวันตายกูไม่ให้มึงไปคืนวันที่ 14, สิบสี่เมษายน พศ2560คืนนั้นกิฟจําได้ดีเพราะเป็นคืนที่กิบกําลังน้อยใจเพื่อนสนิทคนหนึ่งทุกครั้งไปไหนเราก็จะไปด้วยกันตลอดแต่ครั้งนี้เพื่อนเดินทางไปเที่ยวสงกรานที่เชียงใหม่โดยนั่งเครื่องบินบินไปจากจังหวัดตรังและไม่ชวนกิบสักคําหลังจากเพื่อนไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ได้ส่งรูปมาทางไลน์ พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่มาให้กิฟดูซึ่งเป็นอะไรที่กิฟอยากไปเที่ยวมากๆวันนั้นจึงน้อยใจเพ่อนจนนั่งซึมไม่กินข้าวกินปลาแต่เวลาประมาณสามทุ่มก็เกิดอาการหิวข้าวเลยตั้งใจว่าจะต้มไข่กินแก้หิวและในใจก็วางแผนว่าจะหนีแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ แต่เหตุการณ์ก็ไม่เป็นใจในขณะที่กีบกําลังจะไปต้มไข่ที่ห้องครัวแม่ก็เดินมาดื่มน้ําที่ตู้เย็นพอดีซึ่งตู้เย็นตั้งอยู่ด้านหน้าของห้องครัวทุกครั้งก่อนเข้านอนแม่จะดื่มน้ําเมื่อดื่มน้ําเสร็จแม่ก็จะเดินเข้าห้องไปนอนต่อแต่วันนี้แม่มาแบบแปลกๆหลังจากดื่มน้ําเสร็จก็เดินตรงมาที่กีบ และพูดถามโน่นถามนี่เราคุยกันใช้เวลาเกือบชั่วโมงจากนั้นแม่ก็กลับไปเข้านอนกิบเองก็เดินเข้าห้องครัวต้มไข่เมื่อไข่สุกแล้วก็นาไปแช่ในน้าให้มันเย็นและก็กลับเข้าห้องนอนโดยไม่ลืมที่จะหยิบไข่ไปกินในห้องด้วยกิบกินไปด้วยเล่นแชทไลน์และเล่นเฟซบุ๊กกับเพื่อน แล้วเพื่อนที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ส่งรูปการเล่นน้าสงกรานที่เชียงใหม่อย่างสนุกสนานมาอีกกิฟจึงวางแผนการหนีเที่ยวโดยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าและหยิบไขรที่เหลือเอาไปด้วยแอบย่องออกมาที่ประตูเพื่อฟังเสียงที่ห้องแม่ว่าหลับหรือยังเมื่อค่อนข้างมั่นใจแล้วก็แอบเปิดหน้าต่างแล้วปีนออกมา เพราะบ้านของกิบเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวความสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรพอลงมาถึงพื้นได้ก็เดินเรียบบานเพื่อที่จะออกประตูหน้าบ้านในความมืดสลัวนั้นกิบก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านก็เลยก้มหลบเพราะคิดว่าอาจจะเป็นแม่มายืนดักรอในใจตอนนั้นก็คิดว่าแม่รู้ได้ยังไง กิบจึงเปลี่ยนแผนเดินหนีออกทางหลังบ้านคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดดาวเดือนไม่รู้หายไปไหนหมดกิบค่อยๆเดินไปทางหลังบ้านซึ่งจะต้องผ่านบ้านน้าชายระหว่างทางก็ต้องข้ามสะพานออกไปกิบค่อยๆคลานข้ามสะพานและเดินเลาะหลังบ้านน้าชายขณะที่เดินผ่านบ้านน้าชาย ก็ได้ยินเสียงกระแอมของน้าชายมันทำให้กิฟตกใจมากกลัวว่าน้าชายจะรู้ว่ากิฟหยุดตรงนี้กิฟแอบย่องไปต่อจนมาถึงบริเวณสารเจ้าก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บริเวณนั้นคิดว่าน่าจะเป็นน้าชายลงมาสูบบุหรี่จึงเดินหลบไปทางหลังสวนบริเวณนั้นมืดก็มืด ในใจกิฟก็เริ่มกลัวสักพักก็ได้ยินเสียงหมาหอนดังมาไกลๆตอนนั้นกิฟเริ่มใจคอไม่ดีแล้วจึงหยิบโทรศัพท์โทรไปหาเพื่อนที่ชื่อเฟิร์น ร บ, บ้านของเฟิร์นอยู่ไม่ห่างสักเท่าไหร่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรคิดว่าจะให้เฟิร์นออกมารับโดยบอกกับเฟิร์นว่ากําลังหนีออกจากบ้านอยากไปเที่ยวสงกรานที่เชียงใหม่เสียงปลายสายตอบกลับมาว่าให้รอหยุดตรงนั้นอย่าไปไหนเดี๋ยวจะไปรับพอวางสายไปกิบก็นึกแปลกใจเหมือนกันว่าเสียงของเฟิร์นดูแปลกแปลก แต่คิดว่าเฟิร์นน่าจะพึ่งตื่นและลุกมารับโทรศัพท์เสียงก็เลยแปลกแปลกกิบนั่งรอเกือบเกือบชั่วโมงเฟิร์นเองก็ไม่มารับสักทีจริงๆแค่สิบนาทีเฟิร์นก็น่าจะมาถึงแล้วซะด้วยซ้ำวันนี้ยุงก็ชุมเสียงหมาก็หอนตลอดกิบเลยเลิกความคิดที่จะหนีเที่ยวจึงหยิบกระเป๋ากลับบ้านปีนเข้าหน้าต่างห้องนอน แล้วก็นอนหลับไปพอตอนเชา้าตื่นขึ้นมาก็เจอแม่แม่ก็มีอาการปกติไม่ถามเรื่องที่กิปแอบหนีเที่ยวแบบนี้แสดงว่าแม่ไม่รู้เรื่องแล้วใครกันละ่ะที่ไปยืนดักรอ ก, รอกริปที่ประตูนาบ้านหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จก็เดินไปบ้านนาชายัยและกิบก็ถามว่าเมื่อคืน นาลงมาสู่บุรีที่หน้าบ้านของนาหรือเปล่าแต่นากลับบอกว่าเมื่อคืนลูกของนาไม่สบายต้องอยู่ดูแลทั้งคืนไม่ได้ไปไหนเลยกิปนึกสงสัยว่าแล้วใครมายืนสู่บุรีที่หน้าบ้านของนาพอสายๆกิปก็โทรไปหาเฟิร์นและต่อว่าเฟิร์นที่หลอกกิบว่าจะมารับทำไมไม่มาแต่เฟิร์นตอบกลับมาว่า เมื่อคืนโทรศัพท์แบตหมดเลยเสียบสายชาร์จไว้ที่ห้องรับแขกลืมเก็บมาที่ห้องนอนก็เลยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์กิฟเริ่มรู้สึกหลอนแล้วว่าใครพูดในโทรศัพท์หรือว่ากิฟต์กำลังโดนผีบ้านผีเรือนผีเจ้าทีดักหน้าดักหลังเพื่อไม่ให้กิฟหนีเที่ยวแต่ถึงยังไงก็ขอบคุณผีบ้านผีเรือนผีเจ้าทีที่คุ้มครองกิฟ ไม่รู้ว่าถ้ากิฟต์หนีเที่ยวคืนนั้นอาจจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับกิฟต์ก็ได้ต้อนรับน้องใหม่เราชื่อนิราชาตอนนี้เราเพิ่งจะอายุได้17ปีและกำลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเราไม่ได้เรียนต่อพอดีมีคนรู้จักกัน เขาทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพี่เขาถามว่าเราอยากทำงานที่โรงพยาบาลไหมเมื่อเราตอบว่าอยากทำงานพี่เขาจึงพาไปสมัครทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเมื่อโรงพยาบาลรับเข้าทำงานเราก็ได้ทำงานอยู่แผนกหน่วยเภสัชกรรมมีหน้าที่ต้องไปส่งยาให้กับผู้ป่วยตามที่หมอสัง่ง และมีเจ้าหน้าที่เภสัชกรเป็นผู้จัดยาผู้ป่วยที่เราจะไปส่งยาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเรียกว่าผู้ป่วยในหลังจากหัวหน้าพยาบาลที่เราทำงานอยู่ได้แบ่งเวรให้แต่ละคนทำงานตามกะซึ่งจะแบ่งเวลาเป็นสามกะคือกะเชา้าเริ่มตั้งแต่8ดโมงถึงสี่โมงเย็น กาบบ่ายเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนกาดดึกก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง8โมงเช้าแต่ละคนก็จะเข้าเวรหมุนเวียนกันไปวันทำงานวันแรกของเราเราได้รับคำสั่งจากหัวหน้าพยาบาลให้อยู่เวรดึกเป็นคืนแรกเราก็เริ่มงานเวลาเที่ยงคืนช่วงระยะแรกๆนี้ก็จะอยู่ช่วยเภสัชกรจัดยา ตามใบสั่งของหมอเพื่อเตรียมไปส่งยาให้พยาบาลในแต่ละตึกพอถึงเวลาประมาณตีสองก็มียาด่วนที่ต้องไปส่งที่ห้อง i อซซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยที่มีอาการหนักตึกนี้อยู่ไม่ห่างจากห้องที่เราทำงานสักเท่าไหร่เราจึงเดินไปกับรุ่นน้องคนหนึ่งเดินไปก็คุยกันไปเวลานั้นก็ดึกมากแล้ว บรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดเพราะเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังนอนมีเพียงแต่แสงไฟตามทางเดินของอาคารที่เชื่อมติดต่อกันเมื่อเรากับรุ่นน้องไปถึงห้อง i อซก็เข้าไปส่งยาให้พยาบาลประจำห้องในขณะที่เรายือนอยู่ในห้องนั้นจมูกของเราก็ได้กลิ่นเหม็นตุ่ยเราจึงหันไปเห็นพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลยืนอยู่ก็เลยถามว่าใครเอาปลาเค็มมากินในห้องนี้หรือเปล่าและเขาอนุญาตให้กินในห้องนี้ได้ด้วยเหรอพี่พยาบาลหันมามองหน้าเราแบบแปลกๆแต่ก็ไม่พูดอะไรเราจึงส่งยาให้แล้วก็เดินหันหลังกลับไปเมื่อเดินออกมาจากห้องไอซียูกลิ่นนั้นก็ยังไม่หายไป มันยังเหม็นติดจมูกเราอยู่จนเราเดินมาถึงห้องจ่ายยากลิ่นนั้นก็เริ่มจางหายไปเราจึงถามรุ่นน้องที่เดินมาด้วยกันว่าเหม็นกลิ่นอะไรไหมแต่รุ่นน้องก็สส่หน้าทำให้เราคิดในใจว่าสงสัยรุ่นน้องจะอยู่ห้องจ่ายยามานานจนกลิ่นยาติดจมูกจึงไม่รับรู้กลิ่นเหม็นใดๆภายในห้องจ่ายยา ก็มพีพี่พยาบาลยูเวนกันหลายคนพี่เหล่านั้นก็คุยหยอกล้อกันและก็ทำงานไปด้วยจนเวลาประมาณตีสพี่พยาบาลก็ให้เราเอายาไปส่งที่อาคารสงซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของตึก i อซแต่ก็ไม่ห่างจากห้องทำงานของเราสักเท่าไหร่พี่พยาบาลจึงให้เราไปส่งคนเดียวพะเราเดินมาจากห้องจ่ายยาสักพัก ก็ได้กลิ่นเหม็นตุบๆเหนาๆกลิ่นเดิมอีกเราจึงรีบเดินพอมาถึงตึกสง่งก็เข้าไปส่งยาในห้องเมื่อส่งยาเสร็จก็เดินออกมาปรากฏว่ากลิ่นนั้นได้หายไปแล้วเรารีบเร่งฝีเท้าเดินกลับให้เร็วขึ้นขณะที่มุ่งหน้าเดินไปห้องจ่ายยาเราก็สังเกตเห็นว่าตรงมุมตึก ที่เป็นทางเชื่อมต่อตึกส่งกับห้องจ่ายยานั้นเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวชุดพยาบาลยืนอยู่แล้วเธอก็หันมายิ้มให้เราเราจึงยิ้มตอบกลับไปแต่ไม่ได้ทักทายพอเดินมาถึงห้องจ่ายยาด้วยความสงสัยเราจึงเดินไปที่บอร์ดบุคลากรซึ่งติดรูปพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและคนงานประจําตึกนี้ แล้วเราก็หันไปถามพี่พยาบาลที่อยู่ไกลๆว่าวันนี้หัวหน้าพยาบาลประจำตึกคนนี้มาเข้าเวรด้วยเหรอพร้อมกับนิ้วของเราที่ชี้ไปที่รูปด้านบนสุดแต่พี่พยาบาลคนนั้นกลับตอบเราว่านั่นรูปหัวหน้าคนเก่าพี่แกเพิ่งเสียไปได้เมื่อประมาณเดือนกว่าๆเลยยังไม่ได้เอารูปออกเราคิดว่าพี่เขาอาเราเล่น จึงบอกว่าเมื่อกี้ยังพบที่มุมตึกอยู่เลยพี่พยาบาลคนนั้นก็ตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าไม่มีอะไรหรอกพี่หัวหน้าพยาบาลคนเก่าคงจะมารับน้องใหม่เราตกใจมากคืนแรกก็เจอดีแล้วคิดว่าต่อไปนี้คงจะไม่เดินไปส่งยาดึกๆึกแบบนี้คนเดียวอีกแล้ว หัดสิยง